เจ็ดบัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทพระพุทธภาสิทธอปมาเทนะมขวะเทวานังเศธตังคโตอัปมาทังประสังสันติปมาโทครหิโตสถาความว่าเท้ามขวะถึงความประเสริฐกวเทวดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาบัณฑิตเตี่ยนทุกเมือ่อ อธิบายเท้ามาขวะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของเทา้าสกะจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพักพวกทาบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพไปเกิดเป็นเทา้าสกะจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเท้ามาขวะถึงความประเสริฐกเทวดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะ เป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปเกิดในอบายก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมมลทั้งสิ้นเท้ามคะเป็นผู้ไม่ประมาทยอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องประกอบเท้าส ก, กัดวงเล็บมัควะพระศ า, าสดาประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้น เจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสักกดปัญหาสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดําริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของเท้าสกัดทรงรู้จักเท้าสกัดด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดําริชนีแล้วสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าทรงสดับ สกปรนหาสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้จากเท้าสกกะด้วยพระองค์เองหรือยอย่างไรจึงตัดเช่นนั้นพระศาสดาตรัส ต, ตอบว่ามหาลิเท้าสกกะนั้นตถาคตได้เห็นรู้จักมาเองคงเป็นเท้าส ก, กะปรอมเป็นแน่แท้พระเจ้าข่ามหาลิทูลเพระาะเท้าสกปจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัส ตถาคตรู้จักทั้งตัวเท้าส ก, กะและทาอันทำบุคคลให้เป็นเท้าส ก, กะด้วยต่อจากนั้นพระาศาสดาทรงอธิบายพระนามของเท้าส ก, กะให้เท้ามหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามขวาเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมนุย์ชื่อมคะที่มีพระนามว่าปุรินทะเพราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่น ที่มีพระนามว่าสั ก, กะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าวาสวะเพราะในชาติก่อนเคยให้ที่พักอาศัยแก่ขนจอนมาที่มีพระนามว่าสหัสสกะเพราะสามารถดําริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสวามีของสุชาดาที่มีพระนามว่าเทวนณมินทะ เพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงอันหนึ่งเท้าส ก, กะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตถบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา 2. อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 4. ไม่ส่อเสียด 5. ากำจัดความตรหนีได้ 6. มีวาจาสัต ขม่มความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตาคตรู้จักทั้งเท้าส ก, กะและธรรมอันทาให้บุคคลให้เป็นเท้าส ก, กะเท้ามหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องเท้าส ก, กะสมัยเป็นมค ะ, ะมานพพระศาสดาเ ส, สียงตรัสเล่าให้สดับดังนี้เรื่องมค ะ, ะมานพคนอย่างมค ะ, ะมานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดีย เขามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมค ะ, ะมานพเป็นชาวอัจละคามในแคว้นมคธวันหนึ่งออกไปนอกบ้านหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้หน่ารื่นรมหน้าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเขาออกแล้วเข้าอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่อย่างหน้าด้าน เขายอมให้โดยดีไปทําที่อื่นๆอีกก็ถูกแย่งหมดพระคัมาีร์โนเพนว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทําสถานที่ให้เป็นโรมนิยสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพักอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทําเช่นนี้ถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้น ถึงฤดูร้อนได้นำน้ำมาให้มะมานบคิดว่ารมนิยสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจที่จะทาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานเขาออกจากบ้านแต่เช้าทําหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรรานต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมะมานบทำอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทา จึงเข้าร่วมเป็นพวกด้วยโดยในยะนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน32คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตฤทิสยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทาอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรกวงเล็บเพราะตนจะได้กินบ้างทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำนั้นไม่ควรเขาพยายามห้าม แต่คณะของมะขะมานพไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยไปผู้ใหญ่บ้านโกรธเคืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจรส3สาคนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังไม่ทันสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมะขามานพให้โอวาทแก่เพื่อนๆว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชานายบ้าน ช้างที่จะเหยียบและตนโดยเสมอกันอย่ากโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้าชายหนุ่มทั้ง33าคนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสือลำแพนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับควานช้างใสเท่าไรก็ไม่ยอมเดินเข้าไป พระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกทั้ง33าคนเข้าเฝ้าพวกเจ้าไม่ได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตัดถามเรื่องอะไรพระเจ้าข้ามค ะ, ะมานพทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าผู้ใหญ่บ้าน ขอเดชะพระอาญาไม่ผ้นเกล้าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทําทางไปสวรรค์ของตนในบ้านชักนําข้าพระองค์ทําอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทําตามเขาก็โกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแล้แ ล, และะ้วมคะมานพได้ทูลความแต่ต้นจนอาวสานในการกระทําของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมานัดตรัสว่า สัตว์ดิรฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาดของมค ะ, ะมานพช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสําหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานบสหายทั้ง33คนปราโมทยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเปลี่ยนกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอ พวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในสีแยกผลทางใหญ่จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นบคมานบมีภรรยาสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมมาและนางสุชาดา นางสุธรรมมาอยากจะร่วมผูสนในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ค่าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตนนายช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผาพพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมมาเมื่อศาลาเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเอง พวกมคะมานบว่าไม่ได้นายช่างบอกข้าพเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆมาได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้อา้าวแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดเที่ยวเดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมมาจึงขอซื้อ นางสุธรรมมาไม่ยอมขายไม่ว่าด้วยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในสาลานั้นบ้างพวกมคะมานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้จึงว่าเว้นพรหมโลกเสียแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สําเร็จโดยเร็วพวกมคะมานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้า ศาลานั้นแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งสาหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสาหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสาหรับคนใช้พวกเขาปูกระดาน33แผ่นใหญ่แล้วสั่งช้างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมะะัคคะปลูกต้นทองลางไว้ต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานัก แล้วทำเก้าอี้หินไวโขนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรรมมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมมาฉลาดมากในการทําบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้าง อันธรรมดาคนมาพักย่อมต้องการน้ำดื่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสระบุครณีชื่อสระสุนันทาส่วนนางสุจิตราให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดเสียว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งภรรยาของมะคะสิ่งใดที่มะคธทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทาอะไร ส่วนตัวอันเป็นกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมขะมานกบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตตบทเจ็ดประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดเป็นเท้าสกเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขา32คนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันนายช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพพบุตรนางสุธรรมาสุนันทาและโสจิตาก็ไปเกิดเป็นเทพอภิษที่นั่นเหมือนกัน มีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกยางช้างเกิดเป็นเทพประบุชื่อเอราวันภายหลังเท้าส ก, กะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอปปสอนเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยที่พระยะสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอปปมาเทนะ มควะเทวานังเซตตังคะโตเป็นอาทิดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นด้วยประการชนิแลยังธรรมกถาสาธายสมันเตหิสันลกเขตาภาตต กัดจากธรรมบทถึงรวมเป็นหนังสือเรียกว่าชื่อหนังสือาทางแห่งความดีของอาจารย์วสินอินทสศระซึางก็ได้อ่านสู่กันฟังมาหลายวันแล้วเมื่อวานลงไม่ได้อาพาธปวดหลังลุกจะไม่ขึ้นเลยไม่ได้ลงเพิ่งจะดีขึ้นหน่อย ในนี้ก็ได้ข้อคิดข้ออะไรเยอะธรรมบทนี้จะว่าไปแล้วก็มีพุทธภาษิตนี่ที่เป็นข้อปฏิบัติแทบทั้งหมดเลยนี่เป็นภาษิตสั้นๆย่อๆแต่ได้ใจความเะฉะนั้นภาษิตในธรรมบทโดยส่วนมากจึงเอามาประกอบในการเรียน ปริยัติธรรมโดยเฉพาะนักธรรมตั้งแต่นักธรรมสั้นตรีสั้นโทชั้นเอกเนี่ยก็จะมาจากธรรมบทแทบทั้งนั้นเลยเ น, น, นี่แล้วก็ตั้งเป็นกระทู้ขึ้นมาให้ขยายความเหมือนที่ท่านเขียนนี่แหละนี่ขยายความ เ, เพื่อทดสอบดูความรู้สติปัญญาหรือเชาของผู้ศึกษา เ, เอาตัวนี้เป็ น, เ ป, นเป็นบทพิสูจน์บททดสอบ ถ้าใครมีความสามารถก็มีความแตกสารอธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, แ, จงแต่เรื่องนี้จะมีความเข้าใจง่ายก็เพราะมีเรื่องประกอบนะันธรรมบทึงเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนคือผู้ที่ศึกษาพื้นฐานในพระศาสนานี้ถ้าจับตัวนี้ก่อนรู้สึกจะเกิดศรัทธาได้ดีน เนถ้าสมมตว่าไปจับพระไตรปิฎกจะมีพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมถ้าใครไปจับพระพิธรรมก่อนหัวระเบิดอ่านแล้วอ่านอีกงงเลยไม่เข้าใจแม้แต่ประโยคเดียวยสับสนต้องฉลาดเนยแม้แต่การศึกษาก็ต้องฉลาดเนี่ยบางคนอ่านวินยัยวินัยจําเป็นแต่เป็นต้องศึกษาอ ถ้าถ้าไม่ศึกษาก็ร้อนอีกแหละร้อนอีกนี่ยวินัยถ้าถ้าปฏิเสธถ้าไม่ศึกษาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนก็ยิ่งเดือดร้อนหนักนะเพราะถ้าไปรู้ทีหลังนะโอ้โหมันหนักมากเล ย, เยลําบากใจแต่ในค้อนี้วนะ่าไม่รู้ก็ให้ศึกษาจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ศึกษาหรือถ้าจะว่ า, าไปทําผิดถ้าไม่ต้องผิดผมไม่รู้ครับ เอาคำว่าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้ก็ผิดเหมือนกฎหมายเลยแหละกฎหมายคุณจะรู้ไม่รู้คุณก็ผิดถ้าคุณทำผิดอย่างนี้นเหมือนกันนะกฎหมายของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นี่จริงอยู่บางบางสิขาบทบางกฎหมายเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเป็นกฎหมายที่เบาเนะแต่ถึงกระนั้นมันก็ผิดอยู่นะอ้างว่าไม่รู้มันก็ผิด แต่มันเบาเลนเบาลงมาเนี่โทษเบาหน่อยแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่แม้โทษเบานีพระองค์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่ถ้าถือว่าเบาทำบ่อยๆเนี่ยทาให้เกิดความประมาทเนี่ยความละเอียดในคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะจากน้อยไปหามากจากเล็กๆมันไม่จากใหญ่ใช่เมเหมือนท่านเปรียบเทียบว่า เหมือนกองไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกองใหญ่ทีเดียวนะเกิดจากไฟเล็กๆ เ, เองเนะขอให้มันมีเชื้อเถอะถ้าเติมไม่หยุดมันก็เกิดไฟกองใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเล็กเล็กน้อยที่ว่ามันเล็กน้อยมันผิดเล็กน้อยนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าคนประมาทแล้วเนี่ยมันไม่น้อยละเพราะมันทําบ่อยใช่ไหมเพราะทำบ่อยมันก็มากเองมันก็ใหญ่ขึ้นมาเองเพระองค์จึงริญว่าผู้ประมาทผู้ประมาท ก็ย้ำสำคัญว่ามันเล็กน้อยดะงนั้นพระองค์จึงตัดว่าแม้เล็กน้อยนี่จะปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องศึกษาท้ายางนั้นก็จะกลายเป็นคนประมาทไปดังนั้นกฎหมายหรือพระวินัยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นรากฐานของการปฏิบัติอย่างผู้ปฏิบัติอย่างหลวงพ่อชาท่านจะเน้นมากเรื่องนี้ มันข้ามมรรคไม่ได้หรอกท่านบอกถ้าปฏิบัติเนี่ยไม่เอาศีลเนี่ยก็ชื่อว่าเราปฏิเสธมรรคเนี่ยพ่อมรรคมันมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยี่ถ้าคิดว่าศีลนี่ยจุกจิกมันก็จุกจิกจริงๆนะถ้าอ่านด้วยใจไม่ไม่สัทธายิางจริงมันจุกจิกมากเหมือนกันโยมคนหนึ่งเขาอ่านแล้วก็มาผมไม่อยากอ่านทําไมจุกจิกจุกจิกอะไรนะว่าอ่านแล้วร้อนเขาบอกอทําไมถึงร้อนเ ใจไม่ดีทําไมเนี่ก็พระทําผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ <c oughs> ในเวินัยก็จะมีต้นบัญญัติไงอ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีเหตุพระเจ้าก็ไม่บัญญัติเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเหมือนพระอริยเจ้าสมัยแรกๆเนี่ยท่านอยู่กันเนี่ยไม่มีเลยสิกขาบท ว, วินัยไม่มี น, นี่เพราะว่าท่านมีเฮริมีโอตตะป ะ, อ ย, ะ อ, อยู่แล้วเนี่ยท่านละอ่าอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมายุค ข, ของมีปุถุชนเข้ามาบวชเนี่ย ก็มีความผิดเกิดขึ้นก็เลยเปเหตให้บัญญัติเนี่เมื่อบัญญัติก็กลายเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาก็มีการรวบรวมเป็นสิกขาบทเนี่พอคนศึกษาทีหลังก็ไปจับเอาตรงนี้นี่บอกกับพระสมัยก่อนดื้อไม่เช่เล่นเหมือนกันหนุ่ยวันนีอ่านแล้วไม่ได้สมาธิก็น<บ>ั่นก็เ<บ>รียกว่าอ่านไม่เป็นอ่านไม่แ ย, ยบคายนี่เขาไม่ได้อ่านเพื่อไปเก็บมาขัดขวางต่อการทําสมาธิแต่อ่านเพื่อให้รู้ว่า อะไรควรไม่ควรอะไรผิดหรือถูกเนี่ยเราจะเห็นพระปัญญาคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติเพื่อป้องกันอาสวะในอนาคตเนี่ยเห็นไหมท่านก็บอกไว้อยู่แล้วที่บัญญัตินี่ก็เพราะเมตตาเนเพราะพระเมตตาของพระองค์เนี่ยเมตตาต่อเวนยัสสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยป้องกันไว้ป้องกันอาสวะที่ยังไม่เกิดป้องกันไว้ก่อนนะ เกิดขึ้นแล้วก็ให้จบลงในขณะนั้นเนี่ยอาจารพระองค์ก็มีพระเมตตานะแต่กับต้นบัญญัตินะภิกษุเป็นต้นบัญญัติไม่ปรับโทษอะไรนะก็เรียกอาทิกรรมิ ก, กะภิกษุคือคนที่ทำรแรกๆนะไม่ได้ปรับโทษอะไรเลยเนะี่แต่ว่าโทษมันก็มีกับเขาเองเมื่อรู้แล้วนะก็กั้นนะกั้นมรรคกัก้นผลเหมือนกันกั้นสวรรค์แม้ไม่ปรับโดยทางพระเจ้าเป็น ไม่ว่าไม่มีโทษก็จริงแต่จิตใจใครมันจะทำได้เนาะถ้ารู้ว่าผิดแล้วนมันก็เลยเป็นความผิดนี่ก็เลยเป็นสัจธรรมอันหนึ่งใครจะบอกว่าถูกว่าผิดยังไงมันก็ผิดอยู่นั่นแหละทําผิดแล้วจะว่าไม่ไม่ผิดมันก็ผิดของมันโดยสัจธรรมเนี่ยเดือดร้อนเองเพางั้นแต่ฉะนั้นท่านจึงถือว่าศีล น, นี่เป็นรากฐานของธรรมเนี่ยถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องรักษาศีลเนี่ย ต้องมีศีลเนี่ยถ้าศีลดีแล้วก็เรียกว่าเป็นมรรคข้อแรกที่มีความบริสุทธิ์เดินก็สบายเนเหมือนมรคที่เขา อ, อ่า น, น, นาดูก็น่าดูมันก็นจิตใจประเสริฐเหลือเกินเนาะพวกเราทำได้ยังั้นหรือเปล่า <laughs> เข้ามาแย่งถานดีแล้วเข้ามาแย่งเนี่ยกับคิดไป คิดในทางดีเขาเรียกาคิดในทางบวกหมดเลยเนะี่ยไม่โกรธไม่เครืองเออเขามีความสุขกับพลอยได้ความสุขได้ปิติเนะี่ยใครจะคิดได้อย่างไรอาจาว่าถ้าคิดได้ก็ประเสริฐที่สุดแหละคนอื่นนะเราเอ า, เอาตะกิเลสมาใส่กันนะ <c oughs> มันก็เลยต้องจมอยู่กับกิเลสตลอดไปเนะี่ยถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นทาสกะดเนาะเป็นท้าส ก, กัด ถ้าโกรธจะ ไ, ไม่เป็นเป็นทัาสกะไม่ได้เลยเป็นพรมก็ไม่ได้เนี่พกคุณธรรมข้อหนึ่งต้องไม่โกรธด้วยต้องไม่โกรธ น, ะนี่ถ้าโกรธก็ตกจากสวรรค์เลยด้ย <c oughs> นี่มานบนี่เขาเก่งใช่ไหมทำคนเดียวสุดท้ายก็ก็ได้ข้อคิดนะว่าคนเราเนี่ยถ้าเชื่อในความดีนี่แม้ไม่มีบริวารก็อย่าอย่าคิดอะไรเลยนี่อย่าไปน้อยอกน้อยใจเลย คนดีมันต้องมีเห็นหมเหมือนคนนี้ก็ทำเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยคนที่มันดีมันก็มีอ้ยเห็นก็ทำให้เขา้าทาเนี่าขอสมัครทำด้วยเห็นไหมเนี่ก็เลยได้บริวารขึ้นมานี่เลยกลายเป็นว่าการกระทำนั้นไม่ต้องพูดเป็นการสอนเหมืงนน้อชาาท่านว่าคำสอนอจริงๆไม่ใช่คำพูดท ำ, ท, ทำให้เห็นเท่านั้นแหละทำให้เห็นเนี่ยเป็นการสอนแล้วมีน้ำหนักด้วยเนี่ยเหมือนตัวอย่างที่ว่านี่ พอทําด้วยความอดทนแล้วก็ทําด้วยความสุขนะนี่ถ้าจิตใจคิดถูกท่านั้นมันเป็นความสุขทันทีเลยแทนที่จะโกรธเนะี่ยถ้ามีความเม้นผิดแหมอยากจะฆ่าจะแกงมาเลยมึงมาแย่งกูจะไปกูทํามุสอุศะทำที่ทําทางไม่เตรียนเสียอย่างดีจะนอนพักสักหน่อยเนี่ยม่แย่งที่ไล่หนีนี่มันต้องเอากันข้างหนึ่งแล้วว่างั้นแต่ถ้าเอากิเลสมันเป็นลักษณะนั้นแต่นี้เขากลับมีความยินดีวออ คนเขามีความสุขเพราะในที่ที่เราทำไวน้นี่น่าควรอนุโมทนามีความสุขทาไปเรื่อยมีคนมาอยู่ก็ทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยเลยเป็นนิสัยแล้วประการหนึ่งก็คือทำบ่อยๆก็เป็นนิสัยเนี่ยนิสัยชอบทําดีนิสัยคิดดีนิสัยชอบพูดดีมันก็สั่งสมแต่สิ่งที่ดีๆนสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่อยากจะทาไม่อยากจะพูดหรอกถ้านิยมความดีนะ ไอจิตที่มันไม่นิยมความดีตั้งหากเนี่ยที่มันแหวกแนวออกไปเนี่ยตั้งแต่ที่อยากได้ดีอยู่แต่พอบอกให้ทําความดีแหมมันทํายากแต่ก็อยากได้ดีมันก็เลยดีก็เลยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่อดทนไงทําความดีบางอย่างมันต้องอดทนสูงเนี่ยออดทนกว่าจะได้ความดีมาเนี่ยท น, นยจริงจริงนะโดยเฉพาะการปฏิบัติเพื่อละโลภโกรธหลงเนี่ยโอ้ยมันทนเหลือเกินนะเอ ถ้าไม่ทนมันก็เอาข้ออ้างมาเยอะได้อย่างโน้นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นโลกทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมหรอกถ้าเป็นธรรมมันมันต้องมองในทางดีมองในแง่ดีทั้งหมดเนะี่ยจิตใจของเราก็จะดีสบายเนะี่ยแล้วก็เห็นชัดเจนที่เราว่าผู้ที่แผ่เมตตาจิตมีเมตตาจิตเนะี่ยเป็นผู้ไม่มากด้วยทุกขไม่มากด้วยเวร ไม่มากก็ด้วยกรรมชั่วช้าลามกเนี่ยพอคิดดีปีเมตตาเนี่ยแล้วก็เป็นปั จ, จัจนะถ้าไม่บรรลุมรรคบรรลุผลก็นำไปสู่พบภูมิที่สูงเนี่ยเป็นเทวดาเป็นพรมเลยแหละขึ้นไปสูงเลยนะเนี่ยท่านจึงให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยประมาทนอนใจให้ ไม่ได้โกรธเครืองใครประมาทนอนใจก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตาสงสารเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยเราได้อัตภาพที่ดีแล้วเนี่ยมีสติปัญญามีโอกาสที่จะได้ทำกับไม่ทำประมาทเสียเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ได้มักไม่ได้ผลอย่างที่ทันวาเนี่ยวันพิษุสองรูปนะอันนี้ก็อีกเหมือนกันเห็นไหมตนเองไม่ทำาด็คิด คนหนึ่งไปโลกสุดๆแต่คนหนึ่งก็ไปทำสุดๆเหมือนกันเฮ้ยเียนเขาปฏิบัติยังจะเอาหน้าเอาตาเนี่ยไปสอเขาเรียกว่าสอไปสอพุทธเจ้านะเนี่ยพวกนี้ไม่อดไม่กั้นหรอกเนี่ยก็ไปเสนอหน้าก่อนเขานะี่ยอ่นี่ก็ไปเสนอหน้าก่อนทั้งนต่ตนไม่มีอะไรดีดีนะเขารู้ทันนะเนี่ยนี่ถ้าไม่รู้ก็เหมือนพระราชานะเนี่ยนี่ยดีนะนี่ยังบุญก็ยังเรนไหม บุนช่วยบุญช่วยนะเอาช้างไปเหยียบมันก็ไม่เหยียบช้างมันยังรู้คุณเลยเนี่ยเป็นการสอนพระราชาเราเป็นคนแท้ๆทาไมไม่รู้คุณของคนนี่ยรู้ช้างก็ไม่ได้สัตว์ดีละช้านแท้ๆยังรู้จักคุณของคนนี่ยนั่นก็อํานาจจิตมันพูดยากเลยอานาจเมตตาเนะี่ยความเมตตาจิตนี่คือถ้าจะพูดว่าในปัจจุบันถ้าคนสังสมคุณงามความดีโดยเพราะเมตตาจิตเนี่ย เมตตาจิตที่มันเป็นพลังสั่งสมไว้มากเนี่ยคุณธรรมอันนี้แหละที่มันช่วยป้องกันเนี่ยช่วยป้องกันเวลาเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยว่าเทวดาอารักษ์นี่คือกิติสัพ์อันงามมีอยู่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่คนก็ช่วยปกป้องเนี่ยปกป้องนะความดีเหมือนกันเนี่ยคนดีตกน้ำไม่ไหลนี่สํานวนนี้ก็ มันตรงกับตรงนี้แหลนะนยแต่ว่าทำดีต้องอดทนทำดีให้ดีจริงดีจนกระทั่งว่าคนเขายอมรับสังคมยอมรับนะถ้าดีถึงระดับนี้แหละไม่ต้องสูงมากนะระดับนี้ก็ช่วยปกป้องได้แล้วเนะี่ยมีครั้งหนึ่งนะอันนี้พูดตนเองนะจะไม่ใช่ยกย่องตอนเองนะนี่เปรียบเทียบว่ามันเป็นความดีไหมอุปนิสัยก็ไม่ไม่เป็นเกเรนะจนกระทั่งว่าเขายอมรับ ชาวบ้านก็ยอมรับว่าเรามีอุปนิสัยอย่างนั้นจริงๆีง่มีวันหนึ่งเพื่อนมันพาไปไปเราก็ไม่รู้มันชวนไปไปเกเรนะนี่ไปช่วงกลางคืนนี่ทีนี้เจ้าของเขารู้แล้วเขาไล่เนะี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องก็พลอยวิ่งกับเขาด้วยนะวิ่งมาถึงบ้านเนะี่ยวิ่งมาถึงบ้านเนะี่ยเขาก็ตามมาพวกนั้นมันวิ่งเร็วนะ้ะไอเรามันเชื่องช้ า, าก็เห็นเราก็เข้าไปคนนี้แหละเขาไอคนนี้แหละ เออก็โชคดีนะี่พ่อทั้งได้เป็นเป็นคนดุนะออแต่นี่มันเริ่มโตแนละ้วพอเขาได้มาถึงนี้ดูสิมันไปทําทําไม่ดีเลยอย่างโน้นอย่างนี้นพ่อเขาก็ยิ้มเฉยๆนะพ่อก็ยิ้มเฉยๆนะยแม่ก็ไม่ว่าอะไรเนะี่ยเขาก็ว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้จนกระทั่งตอนเช้ามาเนะี่ยชาวบ้านก็รู้ว่ารู้ว่าเป็นอัตมาเนะี่ยเขาก็หัวเราะ ก, กันมันไม่ใช่หรอไปว่ามันทําไมเขาบอก คนอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกมันไม่เป็นหรอกก็ว่าเห็นไหมนี่ทึงมาคิดว่านี่ความดีหรืออะไรก็ตามนี่ถ้าเราตั้งมั่นในความดีจริงๆเนะี่ยมันมีสิ่งปกป้องแต่เขาใช้สำนวนให้มันลึกลับหน่อยว่าเทวดารักษาเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คือคุณธรรมนะัะรักษาโดยตัวของมันเองเนะเมื่อแสดงปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยสังคมรู้สังคมเห็นสังคมยอมยอมรับแล้วเนี่ย สังคมก็ช่วยปกป้องเองนั่นคือความดีนะความดีนั้นเราก็ยิ่งมาศึกษาธรรมะเห็นธรรมะท่านกล่าวไว้ก็ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเนะี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าเออความดีเนะี่ยมันตกน้ำไม่ไหลเหมือนท่านว่าจริงๆนะแต่ก่อนเป็นเด็วกว่าเ อ, อตกน้ำมันไม่จมก็ว่ายไม่เปน็นก็จมตายแล้วมันจะซื่อขนาดนั้นนี่มันไม่รู้ความหมาย นะก็ไม่เป็นไรหรอกมันโง่ก่อนด้วยรัชชามันโง่ซะก่อนคนฉลาดมันต้องโง่มาก่อนนะมันถึงฉลาดเนี่ยถ้าฉลาดก่อนมันโง่ทำไมถึงโง่มันไม่ยอมรับฟังใครมันทิฐิมันมากมันก็รู้อยู่แค่นั้นแหละเนี่ยนี่ถ้าคนมีปัญญานะ่ลดทิฐิลงมาหน่อยทำเป็นคนโง่หน่อยฉลาดได้เห็นไหมพระราชาเรียนมนกับมานพเนี่ยยอมลดตัวลงมาหน่อยก็ได้มนเนี่ยมนก็ช่วยได้จริงๆใช่ เรื่องนี้ก็ดีนะพระจุลราบรรตบเนี่ยนี่นี่เีนนนคนถ้ามีความพยายามเนี่ยแม้ตนเองสติปัญญาสมองไม่ดีเนี่ยแต่ข้อสำคัญให้รักษาความดีที่ตนทำได้นั่นก็คือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนหลักที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่กับครูอาจารย์ก็ทำดีตลอดครูอาจารย์รักเห็นไหมโง่ขนาดนอาจารย์ก็รกักหาวิถีจะช่วยจนได้เนี่ย อยู่หลายปีเรียนมนอะไรก็ไม่ได้ก็สงสารโอ้ยกลับไปลูกศิษย์มันดีขนาดนี้มันไม่ได้อะไรกลับไปจะทําไงนาะอาจารย์ก็สงสารต้องหาวิธีให้จนได้เนะนี่ยเถึงผูกมนให้ไปเรียนยังไงก็เอาให้ได้ต้องไปเรียนในป่าด้วยนะเพราะถ้าในป่าสิ่งแวดล้อมมันดีกว่าไงถ้าเรียนในเมืองนี้ในบ้านนี้มันเห็นคนโน่นเห็นสิ่งโน้ น, ส, น, นสิ่งนี้ใจมันฟุง้งซ่านไม่เป็นสมาธิพอไปในป่าแล้วก็ให้เรียนแบบเข้มงวดเลย ติวเข้มว่า ง, งั้นเลยสุดท้ายก็ได้เอ้ยบทเดียวก็พอบทเดียวพอได้บทนั้นพอจะคุ้มแต่อย่าลืมนะนึกได้ให้ท่องเลยนะท่องบ่อยๆว่า ง, งั้นได้ผลจริงๆครับเลาเนี่ยบอกจริงๆแล้วอาจารย์วสิทธิเขียนละเอียดกว่า น, นี้ถ้าเราไปไปฟังในพุทธจริยาหรือน่าจะพุทธจริยาเนี่ก็จะมีเรื่องนี้ท่านเลาละเอียดกว่า น, นี้เนี่ยพอกลับไปเนี่ย กลับไปบ้านแม่ก็ดีใจว่าลูกไปเรียนจากสำนักตะกศิลามีชื่อเสียงนี่แต่ก่อนเนี่ยท่านบอกว่าทางทางกรุงเนวเาลีสมัยปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปทางปากีสถานเนี่ยแต่ก่อนเป็นเมืองตะกศิลาเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าเดียวนี้เจอหลักฐานเยอะๆเนี่ยถ้าใครได้ไปเรียนตรงนี้กลับมาแล้ก็โอ้ยไม่ธรรมดาส่วนมากก็จะเป็นลูกผู้ดีลูกกษัตริย์กษบอดีไปเรียนเนี่ดีก็คงจะไม่ใช่ลูกคนธรรมดาแต่ปัญญามันน้อยไง มีบุญแต่ก็มีกรรมนะ <c oughs> กรรมมันไม่เข้าข้างใครออกใครได้เหมือนพระพุทธเจ้าย้อนให้ฟังเป็นเหตุเนะี่ยกลับมาแม่ดีใจถามว่าลูกเรียนอะไรได้มาแหมลูกเรียนไม่ได้เลยแม่ก็บอกทำไมล่ะลูกไปตั้งหลายปีนยะ ม, มันความจำมันไม่ดีปัญญาไม่มีโอ้ตายแล้วลูกไปยังไงแล้วว่าไม่ได้ก็ได้มาบทหนึ่งเขาบอกบทอะไรล่ะว่าให้แม่ฟังสิว่า <c oughs> ก็ว่าดังที่ก็ว่านะเธอพยายามเธอพยายามเรารู้เรารู้เธอกําลังทําเราเห็นเรารู้น่ารักน่าดูนดองแปลออกมาเป็นอย่างนี้เอ๊ะ e, อย่างนี้เลยนี่เลยมวลแค่นี้เองเลยไม่เห็นมีอะไรแม่วอแต่ด้วยความเคารพในอาจารย์ถึงแม้จะว่าอย่างนั้นเขาก็เพราะอาจารย์บอกว่านึกได้เมื่อไรหร่ให้ว่าเมื่อ น, นั้นนะนี่บังเอิญเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพระราชาก็สัมพันธ์กับพระราชาเนี่ย ไปดูราษฎรนนะสมัยก่อนเหมือนพระเจ้าแผ่นดินของเราเนะี่ยพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนท่านก็ปลอมพระองค์ไปนะี่ยอยากจะรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่อย่างไรเขาหนินทาหรือเปล่าหรือว่าสุขทุกข์เป็นประการใดนั่นก็จะรู้สุขทุกข์ของราษฎรดอนนะี่ก็ไปดูบังเอิญไปเห็นขโมยพอดีกําลังจะเข้าบ้านหลังนี้ด้วยล่างเขาพลิกส่วนหนุ่มตากกตศิลาเนี่ยไปลองมนในนอไป เขาก็ไม่ได้เห็นขโมยขโมยอะไรหรอกแต่ว่าคงจะยังไม่หลับหรือตื่นขึ้นมานึกถึงคำอาจารย์บอกนะก็เลยท่องคาถาออกเสียงดังเลยเธอพยายามอยู่ฉันรู้ฉันรู้เธอกำลังทำฉันรู้ขโมยตกใจกระโดดนี้ผ้าผ่อนดุด้วยก็ว่านั่นเห็นไหมมเพระลาเเห็นพฤติกรรมเอ้อแปลกมากกลับไปวังแนละ้วสั่งให้อำาตไปเอาตัวมาเข้าเฝ้านะ ได้ข่าวว่าเธอเรียนมนต์มาจากจากตะกะศิลาหรือวนี่ยบอกว่ามนต์อะไรเนะี่ยมาให้ฟังเลยสิบทจะเรียนด้วยได้ไหมได้ก็บอกได้เห็นหแต่ก่อนนี้การเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องยกขู่นะถ้าพ ร, าพราะองค์ต้องนั่งอาสนะอย่างน้อยเสมอกันนะหรือสูงกว่าอาจารย์ต้องสูงกว่าหรืออย่างน้อยต้องเสมอกันถ้าอย่างนั้นมนต์ไม่ขลังเนะี่แล้วเขาไม่ให้ด้วยไ ม, ไม่สอนให้ด้วย พระราชาท่านก็ลดทิฏฐิมานะนี่ยนะท่านลดยอมยอมนั่งเสมอกันกับมนุกย์นี่ก็เรียนมนต์แล้วพระราชาไปใช้ได้ผลอีกแหละนี่พอดีช่วงนั้นพวกอัมหมายกำลังคิดกบฏบทนี่จะขึ้นครองเองนไม่ชอบพระราชานี่ก็เลยวางแผนกันกันกบช่างกรรบบเนี่ยแล้วให้สินบนช่างการบกบอกว่าเธอเนะ่เพราะว่า ช่างกระบบนี้จะเป็นเขาเรียกว่าภูสามาราทํานองเนี่ยนะทำกับในหลวงพระราชาประจำก็เลยเป็นกระสิบถ้าเธอทำสำเร็จนะตำแหน่งเสนาบดีเป็นของเธอไอ้ น, นี่ก็อาศัยความอยากไงนี่ถูกกระเป๋าหูก็เอาเอาก็เอาวะนี่วันนั้นก็โกนพระมัทสุขืนหนวดเนี่ยพระราชาก็นนอนงายชักไม่มั่นใจตนเองนะว่าจะตัดคอบิดโกนเฉือนคอทีเดียวนะ คิดมาได้สงสัยมีดมันจะถือถ้าเกิดไม่ขาดที่มันก็เลยไปรับมีดหน่อยหนึ่งตามไปรับมีดนี่นี่พระราชาก็เออเขาคงไปรับมีดเขาช่วงว่างๆนึกถึงบนของมานพเนี่ยก็เลยว่าขึ้นมากำลังรับมีดอยู่เธอพยายามเธอวางฉันรู้ฉันรู้ไอ้นั้นมือสั่นมือตกเข้ามากราบก็าบาดของพระราชา แต่ก็ว่าพระราชาโดยธรรมชาติจะไหวพิบเร็วมากเลยจะต้องนี่มันมีพิรุษเนะนี่ยก็เลยขูตขข่ตะคอกเลยขู่ตะคอกมึงกำลังทำอะไรกูรู้นะเลยขู่ใส่เลยไอ้นั้นยิงไปใหญ่ตกใจใยอมสารภาพหมดเลยสุดท้ายก็พระราชาก็วางแผนวางแผนว่าเธอนรู้หรือว่าเธอจะได้ตำแหน่งเสนาบดีมึงทำไมมึงโง่ขนาดนี้พระราชาว่า เขาจะหลอกมึงพอเขาได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะเอามึงไปในประเทศไปไหนก็ไม่รู้นะมึงยังจะเชื่อเขาอีกเลย น, นีพระราชามึงอยากรู้ไหมกูจะลองให้ดูพระราชาบอก <c oughs> ก็บอกว่าอยากอยากดูก็พระราชาก็วางแผนมึงทําตามกูทุกอย่างนะ <c oughs> บอกว่าไปหาเลือดมาเลือดไก่เลือดอะไรมาแล้วก็ ท, ทําทีให้พระราชานอนงายอยู่ใส่เลือดเต็มตรงนี้เหมือนถูกเชื้น สิ้นพระชนแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยแล้วก็พวกมึงให้รีบไปบอกเสนาบดีว่าเรียบร้อยแล้วอะไรสําหรับนี่นแต่ว่าพระองค์ก็จัดทหารเตรียมพร้อมไว้ที่จะจับเสนาบดีนี่ยนี่พวกนั้นก็หลงดีใจกันมากกันใหญ่นะโอ้ยแบบว่านึกว่าพระราชาสวรรคตแล้วก็พูดเปิดเผยกันหมดเลยนะนี่สุดท้ายมาถึงมันก็อจับไอ้สร้างการระบบมึงแล้วออกไปมึงอย่ามายุ่งเลย ดึงลากคอออกไปเนะเอาไหนว่าจะให้ตำแหน่งเสนาบดีเห็นบอกไงเฮ้ยมึงอย่ามาพูดเลยนีะ่มึงน่ะมันโง่ไนงะมึงตำแหน่งเสนาบดีจะได้แก้มึงไงลากออกไป น, ะนะพวกนั้นเข้ามาเข้ามาปุ๊บทหารที่พระราชายกนิ้วเดียวเท่านั้นปึ๊บเข้ามาเลยจับพวกนั้นเรียบร้อยเลยจับมาก็ให้ไปดึงช่างกระบอกมาบอกว่ามึงเห็นหรือ ย, ยัง <laughs> เห็นหรือ ย, ยังนี่เห็นแล้วนะนี่นี่ นี่แหละการที่มึงจะเชื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้นะมึงต้องไถ่ครวญพิจารณาให้ดีนะสุดท้ายก็เนี่ยเรื่องเพราะที่นี้ก็เลยนึกถึงนึกถึงมนของมานพโอถ้าไม่ได้มนของมานพเนี่ยเราเสร็จเลยตายเลยเนี่ยก็เลยบูชาบูชาคุณของมานพเนี่ยก็เอามาพระราชาฐานให้อะไรรางวัลโอ้ก็เลยสุขสบายเลยเห็นไหมหมนบทเดียวมนบทเดียวไม่ต้องมากเลย กลายเป็นเศรษฐีน้อยๆเลยแหละเป็นคนสำคัญเลยนั่นคือเกิดจากความดีนะเกิดจากความดีเกิดจากมั่นในความดีถึงจะโง่ขนาดไหนก็ไม่ทำความชั่วนั่นแหละความดีก็เลยปกป้องคุ้มครองรักษาก็เจริญก้าวหน้าได้เหนื่อยแล้วโอเคนี่ก่อนเนาะ